2. สังคาทิเศษกันคำถามคำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในสังคาทิเศษกัน 7. พระผู้มีพระภาคอราหาันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคาทิเศษแก่ภิกษุผู้พยายามทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนณที่ไหนทรงปรารบใครเพราะเรื่องอะไร ในสุกาวิสัตถิสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีพระบัญญัติพระอนุบัญญัติอนุปปณะบัญญัติสัพพะบัญญัติปเทสะบัญญัติสาธารณะบัญญัติอาสาธารณะบัญญัติเอกโตบัญญัติอุพัโตบัญญัติอยู่หรือบรรดาปาติโมขุทเทศหอุทเทศสุกาวิสัตถิสิกขาบทนั้นจัดเข้าในอุทเทศไหน นับเนื่องในอุทเทศไหนมาสู่อุทเทศโดยอุทเทศไหนบรรดาวิบัตสี่อย่างเป็นวิบัติอย่างไหนบรรดากองอาบัตเจกองเป็นกองอาบัตไหนบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไหร่บรรดาอธิกรณสี่อย่างเป็นอธิกรอย่างไหนบรรดาสมรรฐเจ็ดอย่าง ระงับด้วยสมถะเท่าไรในสุกกะวิสัตถิสิกขาบทที่หนึ่งนั้นอะไรเป็นพระวินัยอะไรเป็นอภิวินัยอะไรเป็นพระปาติโมกอะไรเป็นอธิปาติโมกอะไรเป็นวิบัตอะไรเป็นสมบัตอะไรเป็นข้อปฏิบัติพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสังคารทิเศษ